าบาตที่เกี่ยวข้องกับอิสตรีมีวินัยอีกข้อหนึ่งห้าไม่ให้พระภิกษุนั่งในที่รับหูรับตาสองต่อสองกับผู้หญิงซึ่งไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยเช่นอย่างเราอยู่องค์เดียวโยมผู้หญิงจะเข้ามาหาเราเราก็ต้องหาเพื่อนไปนั่งเป็นเพื่อนแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเจตนาร้ายอะไรแต่บางทีเราอาจจะแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินหกคา พระภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินหกคำโดยไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยต้องอาบัติปาจิตตีทีนี้ผู้หญิงหลายคนไม่สามารถจะคุ้มอาบัติพระในข้อนี้ได้ที่ท่านห้ามไม่ให้อยู่สองต่อสองในที่รับหูรับตาที่รับตาก็คือที่มีที่กำบังที่รับหูก็คือที่ซึ่งคนไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงพูดของเราที่ห้ามเช่นนั้น ก็เพราะว่ามันเป็นที่รังเกยียจของท่านผู้รู้บางทีเขาอาจจะกล่าวหาเรื่องปรับอาบัตเราก็ได้อันนี้วินัยข้อเนี้ยไม่ได้ปรับอาบัตอะไรลงไปชัดเจนแต่ว่าถ้าหากมีผู้กล่าวหาพรกภิกษุก็ลำบากอันนี้เป็นวินัยอีกข้อหนึ่งวินัยส่วนใหญ่ที่เป็นอันตรายจริงๆนะ่ะมีอยู่สี่ข้อคือปาราชิกสี อาการที่พระต้องอาบัตการต้องอาบัตนี่ต้องด้วยความไม่รู้ต้องด้วยความไม่ละอายต้องด้วยเจตนาจะล่วงละเมิดต้องด้วยสำคัญในของควรว่าไม่ควรเช่นชาวบ้านเขาทำแกงมาเรามองเห็นเนื้อเราไปนึกว่าเนื้อที่ต้องห้ามเป็นเนื้อเสือเนื้อช้างเนื้อมนุษย์เนื้อหมี เนื้อเสือเหลืองเสือดาวเนื้อสุนักเนื้อม้าอะไรพวกนี้อันนี้วินนยห้ามถ้าเราเห็นแล้วก็อืมอันนี้มันเป็นเนื้อม้าหรือเนื้ออะไรก็ไม่รู้สงสัยแล้วฉันลงไปก็เป็นอาบัตทีนี้เนื้อที่ไม่ควรเช่นอย่างเขาเอาเนื้อสุนักเนื้อช้างเนื้อม้าแกงมาให้พระฉันแต่พระก็สงสัยสงสัยว่ามันเป็นเนื้อที่สมควรหรือเปล่า แต่ลงผลสุดท้ายก็ยังฉันอยู่ก็ต้องอาบัตอีกอันนี้ต้องด้วยรู้แล้วขืนทำลงต้องด้วยสงสัยต้องด้วยความไม่ละอายนี่อาการที่พระต้องอาบัตมีอยู่หกอย่างหมายเหตุอาการที่พระต้องอาบัตจากหนังสือนวโกวาตมีดังนี้หนึ่งต้องด้วยไม่ละอาย 2. ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ 3. ต้องด้วยสงสัยละขืนทําลง 4. ต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควร 5. ต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควร 6. ต้องด้วยลืมสติ